เรื่องพญานาคที่เขื่อน แก่งลำตะคอที่จังหวัดนครราชสีมามักจะเป็นจุดพักรถยอด ใครเดินทางผ่าน ที่สร้างด้วยวิทยาการสมัยใหม่สร้างโดยวิทยาการสมัยใหม่เพื่อใช้ๆ <_ d ates> ได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบ <_ d ates> ัหาอ่างพักนบนเขาเกิดรวดซึมปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่มาติดตั้งเครื่องกําเนดไฟฟ้าแล้วไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามกําหนดเวลาซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจึงไม่ควรที่จะมีอุปสรรคมากมายจนเกินกว่าการแก้ไข ถึงบารมีพระอริยะผู้บริหารและพนักงาน มีอำนาจที่เป็นที่เคารพๆ จังหวัดนครราชสีมาอาจารย์จำเนียรวัดถ้ำเสือจังหวัดพังงา ท่านผู้อํานวยการโครงการคนก่อนคือคุณประพันธ์พาณิชพลซึ่ง เป็นการรบกวนและถ้าต้องการอะไรก็ให้ติดต่อกับท่านอาจารย์เปลี่ยนได้บอก ดำเนินโครงก็ยังเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะระยะมหากุศลสร้างความกังวลให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างมากต่างๆก็ยัง นี่คือเหตุสุวรรณกิติ จึงๆที่เกิดขึ้นนี้กราบเรียน รวมแสดงน้ําใจสละทรัพย์สินเงินทองตามกําลัง จักได้เสวย 1-2 กรกฎาคมพุทธศักราช 2545 ผู้ ทุกคนช่วยกันตระเตรียมงานด้วยความตั้งใจนอกเหนือจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แล้วได้เข้ามาช่วยเหลืองานอาทิคุณพุทธชาติคุณธนาทิพย์คุณธีรพัชคุณอมรคุณกู้ศักดิ์คุณฝนแจ็คเล็กและหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาต้องขออภัยที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบสำหรับบุคคลที่ได้เอ่ยนามมานี้ต้องขอชื่นชมในความทุ่มเท ซึ่งเกิดจากความรักและเคารพสูงสุด ทั้งชาตินี้และชาติหน้า